นะพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วไซท่าว่านะถ้ารูปมันจะเป็นอัตตาได้อะท่าว่านะไ้ท่าเขาบอกว่าท่าว่านี่นะเวลานี้ท่าว่าสักสี่ห้าทุ่มไปแล้วนะเราคงฟังทำเพลนเลยท่าว่านะอะไรก็ได้ท่าท่าท่าว่าแล้วไม่มีจริงสักอย่างอ่ะประโยคปริโยกนี่นะวันนี้ท่าว่าฝนตกนะไม่มีใครมาแล้ววันนี้ถ้าตกหนักๆจริงๆเนี่ย ถ้าท่าว่าอย่างนี้ตกไหมไม่ตกถ้าว่าโอ้ผมเป็นพระราชาจะให้คุณเป็นพระราชินีแสดงว่าไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกเพราะว่าประโยคท่าว่าเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันก็บอกท่าว่ารูปนี้จะเป็นอัตราแล้วไซ้ น, นะถ้าถ้ารูปนี้มันเป็นอาตาัตราแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะรูปนี้ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่อ อ, อาพาธคําว่าอาพาธก็คือบกพร่องนี่มันอันเดียวกันนั่นเองอาพาธคือบกพร่อง ถ้าหากว่ารูปมันเป็นอัตตา ม, มันต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวมันจะไม่มีความบกพร่องเลยแต่อันนี้หาเป็นอย่างนั้นไม่มันบกพร่องทุกส่วนนั่นแหละส่วนไหนมั่งที่มันไม่บกพร่องอารมณเนี่หาดูสินะตั้งกับพรหมจรดเท้ามาเลยนะที่ไม่รู้จักบกพร่องเลยเนี่ยนะมันคงแก่นแท้หูดีจริงๆเลยนะนี่มีแต่บกพร่องหมดจริงอยู่บางคนอาจจะมีบุญดีส่วนอื่นส่วนนั้นไม่บกพร่องแต่คนอื่นเนี่ยเปื่อยเลยนะส่วนตรงนั้นอะ่ะ เพราะฉะนั้นรูปนี้พึงเป็นไปเพื่อไม่อาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยต้องเรียกว่ามีอำนาจสั่งได้ว่าอย่าเปลี่ยนแปลงนะต้องไม่บกพร่องต้องไม่เปลี่ยนแปลงตาต้องเหมือนเดิมสีต้องเหมือนเดิมจักรวิญญาณภาษเวทนาต้องเหมือนเดิมหูเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิมจมูกเหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมรสเหมือนเดิมเนี่ยนะ ลินเหมือนเดิมกายเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมขนเหมือนเดิมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยในกระดูกมา้าหัวใจตับไตไส้ปอดเหมือนเดิมให้หมดเลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมั่นคงอยู่ในตัวเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะว่ารูปนี้เป็นอนัตตารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธรูปมันจึงบกพร่องและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยถามว่า ความเป็นอนัตตาเหล่านี้ถ้าใครเข้าใจปัจจัยได้ก็จะแต่งรูปได้อย่างบริบูรณ์จะแต่งรูปให้วิจิตที่สุดระดับพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าบำเพ็ญบารมีสามสิบทัเนี่ยนะมหาบริจัคห้า 5, บำเพ็ญจริยาสามจะแต่งรูปให้งามที่สุดแบบพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ถ้าทำบาปมากจะแต่งรูปให้มันเละเทะจนมองดูไม่ได้ก็ได้เห็นหน้าปั๊บคนต้องวิ่งหนีเลยมีไหมรูปบางอย่างนี่เห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะกลัว เช่นรูปเสือรูปช้างอย่างเงี้ยนะให้อาจารย์พักหน่อยนะผมขอตั้งคําถามทําไมารูปถึงเป็นอย่างนั้นอาทาไมาถึงรูปเป็นอย่างนั้นทำไมมันมถึงไม่ไม่คงที่แล้วทําไมมันมถึงมันเปลี่ยนอย่างนั้นน่ะซึ่งเราไม่เคยชอบเลยเราสแสวงหาความคงที่ทั้งนั้นนะแม้แต่ศาสนาอื่นก็คิดก็สแสวงหาความคงที่นะถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยเขาไม่สามารถใหเห็นความมั่นคง คงที่ได้แต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นแล้วเขาคงที่นะเมื่อเขาได้ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาทําความดีก็ไปเกิดใหม่เนี่ยเขาคงที่นะจริงๆเราเนี่ยเราสแสวงหาความคงที่ทั้งนั้นเราไม่ชอบเลยความที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ไม่มวนเลยอะเปลี่ยนแบบเนี่ยดําๆแล้วมาขาวนีเราไม่ชอบแล้วนะไม่ชอบจะให้มันคงที่เขาไปเอาสีมาดํมามาย้อมอีกอย่างเงี้ยมันไม่คงที่ใช่ไหม แล้วถอนตรงนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่คงที่อ่ะก็เอามามให้มันดูคล้ายๆคงที่หน่อยก็เอามาทําใหม่เนี่ยนะหรือว่ามันเกิดมันเหี่ยวเหือแล้วก็อาจจะไปดึงๆงมันหน่อยหอยากให้มันคงที่แต่ทําไมถึงไม่คงที่เนี่ยอันนี้เนี่ยเอาลองแสดงความเห็นหน่อยที่ทาไมมันแล้วเราบอกเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติเฮ้ยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างเนี้ยอ้าวในใครลองว่าหน่อยดิท่านเคยมีความเห็นไงคุณนันทําไมมันเป็นอย่างนั้นแก่อนที่คุณนันน่ะหนุ่มๆรับรองเนี่ยรอเลยอ่ะ เป็นทุกข์คือตั้งคําถามว่าทําไมนะันะไอ้รูปเนี่ยนะรูปทั้งหมดเลยเนี่ยนะอย่าไปพูดถึงเรื่องนามเลยนะเพราะว่านามเป็นเรื่องลึกไปอีกเนี่ยนะทำไมถึงรูปเนี่ยนะครับมหาภูตรูปเนี่ยนะครับดินน้ําไฟลมสีกลิน่นรสโอชะนี่เนี่ยทำไมไมันถึงไม่เด็ดเป็นไปอย่างที่เราอยากได้เลยอะ่ะมันต้องเปลี่ยนไปอะ่ะเหี่ยวไปย่นไ ป, นไปสูญไปเน่าไปเปื่อยไป เพราะอะไรครับใครจำสูตรไหนได้ก็จะตอบสูตรนันแะก็อย่าลืมว่าบรรดารูปทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะแตกละเอียดลงไปหรือว่าจะหยาบที่สุดคือมหาพุทธรูปสีเนี่ยถามว่ารูปเหล่านี้มันอยู่ได้ด้วยอะไรมันมาจากอะไร มันมาจากอะไรก็นีไม่พน้นหนีไม่พ้นหลักเกณฑ์อันนั้นหนีไม่พ้นเรื่องนั้นอยู่ดีเงื่อนไขสี่ประการนะนาะอย่างโดยโดยเฉพาะอย่างกรรมมชรูปเนี่ยนะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือกรรมมชรูปเนี่ยนะกรรมเนี่ยนะจำแนกสั์ให้เลวแลวปะปณิต ก, ก่อนเนี่ยนะทำไมคนไทยเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน ส่วนตรงนี้แหละกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้เลวและประนีตก่อนอันนี้ชั้นแรกเลยนะแต่ทําไมแต่ละคนเนี่ยนั่งเหมือนกันแต่ดูรูปทรงแห่งการนั่งเหมือนกันไหมเนี่ย น, นะท่าทางแห่งการนั่งของแต่ละคนไม่มีเหมือนกันเต้เลยนะเพราะไม่ได้รับการฝึกมาให้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิริรยาอาการที่นั่งก็จะมีความแตกต่างกันในชั้นรายละเอียดเนี่ย น, นะอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้แตกต่างกันอันนี้จิต แล้วแต่ละคนเนี่ยนะน้ำหนักก็แตกต่างกันอันนี้อะไรอันนี้น่าสนใจน้ำหนักไม่เท่ากันไหใ น, ะนคนมีน้ำหนักมากๆไหนะบอกหน่อยทีนะคงไม่พ้นเรื่องอาหารเพราะะเงื่อนไขของรูปทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่ปัจจัย แต่ถ้าหากว่าผู้ที่สามารถหาปัจจัยให้บริบอยู่แบบนี้ได้นะถ้าถ้าสามารถเจริญปัจจัยได้อย่างเต็มที่จะมีอายุเป็นอาสงไขปีก็ได้มนุษย์บางช่วงมีอายุเป็นอาสงไขปีถามว่าทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้ปัจจัยอะ่ะเขารู้ปัจจัยโดยเฉพาะกรรมะปัจจัยที่ที่ดีเนี่ยนะสามารถนำเกิดให้มีอายุได้ยาวมากอย่างพรมบางพรมเนี่ยนะ มีรูปได้ห้าร้อยมหากรัปถามว่าทําไมจึงอยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะเขารู้ปัจจัยปัจจัยที่จะทําให้อยู่ได้500อมหากรัปคือการเจริญฌานจิตจนได้ระดับรูปฌานรูปฌานอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์เลยเนี่ยนะทำให้มีอายุ500ร้อมหากัปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอายุที่ ท, ที่ที่นานที่สุดมีเท่านี้แหละอายุของรูปนะ แต่ถ้าอายุของนามประเภทเดียวกันเรียกว่าภวังเนี่ยนะถ้าต่อได้ยาวที่สุด 84% ดหมี่พันกับอันนี้สุดลนะจ ะ, จะอยู่เท่านั้นนะก็จะเงื่อนไขอย่างแบบนี้เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างมนุษย์นั้นบางช่วงอายุเป็นอาสงไขป่ปีบางช่วงอายุสิปีเนี่ยนะเกณฑ์เฉลี่ยนะบางช่วงได้สิปีตายบางช่วงเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเป็นหมื่นปีเนี่ยนะเป็ น, นหลายๆพันปีก็มีอย่างสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนี่อายุเป็นหมื่นปี แต่ของเรามาเกิดในยุคที่มนุษย์อายุสั้นเราจะไปบอกว่าโอ้โหมีเลอคนอายุยาวแบบนั้นอันนี้ก็พูดไม่ได้ทีนี้คนที่เขาสมัยอายุยืนนเนี่ยนะมาฟังคนยุคนี้อายุสั้นขนาดนี้เลยเลยก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่แตกต่างกันออกไปพะะนันรูปเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอนัตตาเพราะมีความบกพร่องอยู่ในตัวเนี่ยนะ อันนี้ก็คือพูดถึงความว่างเปล่าของของสังขารเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันความสุ ญ, ญาตาหรือว่าความเป็นอนัตตาสุ ญ, ญาตาของรูปนั้นก็คือมันบกพร่องอยู่ในตัวเรียกว่าอาพาธอาพาธก็คือบกพร่องนั่นเองพิสูจทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเวทนานี้จกเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ก็จะไม่พึงเพนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยะนะเป็นไปได้ไหมคือความจริงของเวทนาเนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าหากว่าเวทนาเป็นอัตตาแล้วไซนี่นะใครอยากให้สุขก็หูให้สุขอย่างเดียวเลยทั้งชาติเลยนะไม่มีทุกข์เข้าไปซอดอ่็เรียกว่าเข้าไปแทรกเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่สุขล้นลว น, ลวนอิ่มอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ อะไรก็สุกไปหมดเลยเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะมันมีความบกพร่องอยู่ในตัวเวทนาคือสุขทุกข์และอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะอยู่ที่ปัจจัยปัจจัยบางอย่างทำให้เกิดสุขเวทนาปัจจัยบางอย่างทำให้เกิดทุกขเวทนาปัจจัยบางอย่างทำให้เกิดอุเบกขาเวทนาปัจจัยอะไรทำให้เกิดสุขเวทนาเพราะภาษะที่ดี เป็นปัจจัยจึงเกิดสุขเวทนาะเพราะภาษาที่เลวเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดทุกขเวทนาะเพราะภาษาที่ธรรมดาทั่วไปเป็นปัจจัยแห่งอุเบกขาเวทนาะทีนี้ในภาษะเรานะั้นอ่ะทำไมต้องแต่งภาษาให้มันเป็นภาษาที่ดีๆอยู่สิแต่งได้ไหมแต่งภาษาอันนี้ให้มันได้เท่าเดิมเลยนะจะได้สุขสมตลอดไปแต่งไม่ได้เพราะภาษาก็เกิดจากปัจจัยอีกครั้งหนึ่ง ภาษานี้มีความแตกต่างกันของธาตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะเช่นจักขู่ธาตุรู ป, ปรธาตุจกักขูวิญญาณธาตุจึงเกิดธรรมธาตุจึงเกิดธาตุเหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถ้าธาตุเหล่านั้นเนี่ยนะธาตุแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอย่างจะให้เห็นสีแล้วโหอิ่มใจไปหมดเป็นไปได้ยังไงสีหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะไปเห็นคนก็ไม่ยิ้มเลยเราจะไปยิ้มอยู่คนเดียวได้ยังไงใช่ไหม <_ d ream> เห็นเขายิ้มกันหมดเลยนะเขาขำกันหมดเรานั่งบูดอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเนื่องด้วยปัจจัยอะ่ะปัจจัยจากภายนอกซึ่งแตกความแตกต่างแห่งธาตุจะให้เห็นชัดเท่ากันได้ยังไงเพราะคุณภาพของตาไม่เท่ากันอันนี้ตาก็ธาตุของตาก็แตกต่างกันเรียกว่าจากขุธาตุที่แตกต่างกันรูปประธาตุที่แตกต่างกันจากขวิญญาณธ า, าตุที่แตกต่างกันธรรมธาตุที่แตกต่างกันความต่างแห่งธาตุทาให้เกิดความต่างแห่ง ผัสสะความต่างแห่งผัสสะจึงเป็นทำให้เกิดความต่างแห่งเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะเวทนาเหล่านี้บกพร่องเนี่ยนะเนื่องจากปัจจัยคือผัสสะผัสสะเนื่องจากปัจจัยคือธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวทนานั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเห็นะหมันตกแต่งเวทนามากนักไม่ได้แต่โดยเฉพาะเวทนาที่เกิดในทวิปัญจาวิญญาณเนี่ยนะเวทนาที่เกิดในทวิปัญจาวิญญาณ น, นั้นมีชื่อว่ า, าปฏิฆะเวทนาเวท น, นาที่เกิดจากการกระทบเนี่ยนะ อีกชื่อนึงว่าปฏิฆะเวทนาทเพราะอาศัยกระทบกันนะกระทบจากตากับสีกระทบกันเวทนานี้จึงเกิดเรียกว่าปฏิฆะเวทนานะหูกับเสียงกระทบปฏิฆะนี่แปลว่ากระทบเฉยๆนะไม่ได้แปลว่าโกรธเสมอไปถ้าจิตมันกระทบกระทั่งอันนะั้นแสดงว่าโกรธแต่ปฏิฆะอันนี้คือหูตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธิภาพนนี้เรียกว่าปฏิฆะเวทนาที่เกิดจากการกระทบ อันนี้ปฏิฆะเวทนาหรือนานัตตะเวทนาเดี๋ยนะเขาเรียกว่าเรียนมาจากสัญญานานัตตะเวทนาก็คือเวทนาที่เกิดจากการรับรู้เรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคือเวทนาที่เกิดในอกุศลจิต12เรียกว่านานัตตะเวทนาเวทนาที่เกิดกับมหากุศลจิต8ก็เรียกว่านานัตตะเวทนา เพราะกุศลจิตและอกุศลจิตก็มาจากเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแล้วเขาจึงเรียกว่านานัตะเ ว, เวทนาสมมติว่ามหากุศลจิตเกิดเนี่ยนะกุศลบางอย่างเป็นทานกุศลบางอย่างเป็นศีลกุศลบางอย่างเป็น ภาวนาทานก็ไม่เหมือนกันบางคนให้รูปให้เสียงให้ใหกลิ่นให้รสให้โพธาภาพเป็นทานบางคนเป็นปาติบุคเรกิกานบางคนเป็นสังฆทานบางคนเ น, น, คนี่ยให้ทานและมีเจตานาดีในเบื้องต้นเจตานาดีในท่ามกลางเจตานาดีในที่สุดนะบางคนเนี่ยโหทานเนี่ยนะเป็นวัตถุทานเล็กๆบางคนเป็นวัตถุทานอย่างใหญ่บางคนทานอย่างต่อนเนื่องเอาศีลเนี่ยศีลที่แตกต่างกันบางคนเป็นเจตานาศีลเจตสิกศีลสังมอนศีลอวีติกามาศีล ศีบางคนมีสีเป็นอารมณ์มีกลิน่นมีรสมีโพธิภพก็แตกต่างกันบางคนเนี่ยภูสลจิตมาจากภาวนาภาวนาที่แตกต่างกันบางคนเป็นสมถะบางคนเป็นวิปัสนาบางคนสมถะเป็นประเภทกษินสิบบางประเภทอสุภาษิตซึ่งในชั้นรายละเอียดในอสุภาษิตก็มาจากอารมณ์ที่แตกต่างกันอีกเนี่ยนะ แม้แต่วิปัสนาบางคนก็ปรารบโดยขันทาอายตนาสัรรจจะและอินทรีย์นั้นในความคิดทั้งหลายจึงแตกต่างกันความรู้สึกเลยแตกต่างกันเมื่อความรู้สึกแตกต่างกันเนี่ยเวทนาอันนี้มันจึงบกพร่องมันจึงอาพาธคาว่าอาพาธมันบกพร่องอ่ะมันมันไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองอ่ะมันไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์อยู่ในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้น จึงไปสาคัญหมายในเวทนาไม่ได้จึงไม่ควรเข้าไปสาคัญหมายในเวทนาว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราจึงไม่ควรไปสาคัญหมายเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถามว่าควรสาคัญอย่างไรควรสาคัญอย่างไรจึงจะเชื่อว่าถูกต้องควรสาคัญว่าเวทนา นี้เวทนานี้เหตุเกิดแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนานี้คือข้อปฏิบัติแห่งเวเพื่อให้ถึงความดับแห่งเวทนานี้อสสาทาแห่งเวทนานี้โทษแห่งเวทนานี้การกาสลัดออกจากเวทนาดังนั้นควรเข้าไปวิจัยเวทนาทุกแง่มุมทั้งหมดเลยเพื่อถ่ายถอนความยินดีในเวทนา เพราะไรถ้าหากว่าบุคคลที่ยังเพลิดเพลินยังติดใจยังยินดีอยู่ในเวทนามีโทษหรือไม่มีโทษความเพลิดเพลินในเวทนามีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีอ่าความเพลิดเพลินนะขอไปความเพลิดเพลินในเวทนาเป็นชื่อของตันหาถ้าตันหาเกิดอะไรเกิดอุปาทานเกิดถ้าอุปาทานเกิดเจตนากรรมก็เกิดถ้ากรรมเกิดในเร็ววับพบเกิดพบเกิดอะไรเกิด าชาตาพยาที่มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนี้ก็เท่ากับเพลิดเพลินในทุกผู้เพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกขก็สนุกดีสนุกม่้มันก็เพลินนีนะโ อ, ดนอน้ดูนั่นดูนี่เดี๋ยวก็ยิ้มมั่งหัวเราะมั่งก็บอกชีวิตถ้าไม่มีเสียใจก็เหมือนกับทะเลไม่มีคลื่นอย่างนั้นหรือวะ ว่าไปนั่นไปใช่ไหม <c oughs> ก็ยินดีในทุกมันก็เลยจมอยู่ในทุกนั่นแหละมันเลยไม่พ้นไปจากทุก น, นะอันเวทนานี่เป็นอนัตตาเพราะว่าบกพร่องอันนี้คือความว่างเปล่าของเวทนานคือความศูน m p t i n e s s of the m i ่ d this is the ่ m p t i n e s s of the น i n d this is the emptiness of the mind this is the emptiness of t h า mind this is the e m p t ย n e s s of the mind t สัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาเพราะว่าในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นไม่เป็นอัตตาเนี่นะเนื่องจากว่าเขาอาพาธเขาบกพร่องเขาเกิดจากปัจจัยทั้งหลายนี่คือวิธีหนึ่งในการประกาศความเป็นของว่างเปล่าหรือว่าสุญญตาของของขันหรืออีกนัยยะหนึ่งนี่นะ การมนุิการที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกท่านน ะ, เ พ, ะนเพราะอะไรเพราะอัตตาของท่านทั้งหลายไม่มีอ่ะใครมีอัตตาอยู่ในไหนบ้างมีไหมอัตตาจริงๆอ่ะมีไห ม, ม, มไม่มีทําให้มันเป็นอัตตามันยังไม่เป็นเลยแต่ความคิดบางอย่างเนี่ยมีความคิดที่ผิดน่ะมี แต่ว่าตัวอัตตาจริงๆอยู่ในนั้นอะ่ะไม่มีแต่ความคิดผิดเนี่ยมีนะอย่างเช่นเขาบอกว่าโหดวงตาเนี่ยนะในตาเนี่ยเขามีมันมีไอสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งนะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไอสัตว์ชนิดนี้มันอยากเห็นมันก็เห็นไม่อยากเห็นมันก็ไม่เห็นนะเออเนี่ยไอตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละคือตัวอัตตาพาดูในตาเผื่อสัตว์ชนิดนั้นจะวิ่งออกมาเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นมันสําคัญผิดเฉยๆเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่คิดแบบนั้นอ่ะไม่มีหรอก เพราะฉะนั้นอัตตาไม่มีมันมีแต่อนัตตาแต่เกิดจากปัจจัยนะไอออนัตตาบางอย่างเป็นรูปอนัตตาบางอย่างเป็นเวทนาอนัตตาบางอย่างเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรูปก็เกิดจากปัจจัยของรูปวเป media, วทนาก็เกิดจากปัจจัยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยของแต่ละส่วนแต่ละส่วนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของคนอื่นกายนี้ กรรมเก่าเนี่ยนะเป็นตัวสรรปรุงแต่งขึ้นกายนี้กรรมเก่าเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นเจตนาในอดีตเป็นตัวประมวลไว้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยะสาวกผู้ได้สดับัแล้วย่อมมณสิการปฏิจจสมบาติอย่างดีโดยแยบคายในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึง ม, นะง ม, งงมีตามีเพราะอะไรมีเอา ตามีพร่อรูปมีตามีเพราะมหาภูตรูปมีตามีเพราะมหาภูตรูปมีมหาภูตรูปมีเพราะอะไรมีเพราะกรรมวิญญาณมีกรรมวิญญาณมีเพราะอะไรมีอวิชสังขารมีสังขารมีเพราะอวิชามีด้วยประการดังนี้อวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามีรูปรูปเป็นปัจจัยจึงมีตา ตากับสีเป็นปัจจัยจึงมีนี่อะไรตากับสีจิตเห็นสิเนา ะ, ะจิตเห็นเขาบอกว่าถ้ากลองกับไม้ตีกลองมีแล้วมากระทบการตีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเสียงกลองก็ว่าตาก็เหมือนกับกลองมาสีทั้งหลายก็เหมือนกับไม้ตีกลองจิตที่เห็นเหมือนกับเสียงกลองทำทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามไม่ได้เกิดจากตาไม่ได้เกิดจากสีไม่ได้เกิดในระหว่างตากับสี แต่อาศัยตากับสีจิตเห็นจึงเกิดภาษะเป็นต้นจึงจึงเกิดไม่ได้เกิดจากอะไรแต่เกิดจากปัจจัยเห็นไหมอย่างเหมือนเสียงพินเสียงกลองทั้งหลายก็เหมือนกันมันเกิดจากปัจจัยนะเขาบอกว่าถ้ามันเกิดจากกลองเอ้าอยู่ๆมันก็ดังได้สิแต่มันเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะกลองอย่างเดียวก็ดังไม่ได้อาศัยอย่างอื่นๆเป็นองค์ประกอบเหล่านั้นแหละจึงดังได้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี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 อุปาทานพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณาโศกกะปริเทวทุกขทโทมณตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้มีใครอยู่ในนั้นไหมสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมจริงแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีมม น, นะมีใครอยู่ตรงตาไหมไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่เที่ยงไม่ล่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่าเออนี่ของเรานะเนี่ยนั่นเป็นเรานะนั่นเป็นอัตราของเราควรไหมไม่ควรเนี่ยนะไม่ควรตามเห็นในลักษณะนั้นเลย ถามว่าตามเห็นยังไงตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นของลำบากเป็นของเล็กเป็นของน้อยเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่มีชาติมีชราพยาที่มรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาไอ้ความเห็นอันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติไอ้ตัวที่เข้าไปเห็นนั่นเป็นข้อปฏิบัติตาไม่ใช่ข้อปฏิบัติตาเป็นทุกขสัพ ปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงเหล่านั้นเป็นมัคสักตัวสัมมาทิฐิเหล่านั้นเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะแยกแยกให้ออกนะว่าจักขุเป็นปริญเยยธรรมเหตุให้เกิดจักขุเป็นปะหาตปธรรมความดับเหตุของจักขุและความดับจักขุเป็นสัจชิกาตปธรรมข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปกาหนดรู้จักขุ ละเหตุเกิดทำมิรอให้แจ้งไอ้ข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นพาเวตาประธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญแยกแยะประเภทสิ่งเหล่านี้ให้ออกเราก็จะเข้าใจในความเป็นพระพุทธศาสนามากขึ้นก็น่าจะชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาผู้รู้ปัจจัยน่าจะเป็นศาสนาผู้มีปัญญารู้ปัจจัยเยเออแต่แปลงนะว่าถ้าเรารู้เรื่องปัจจัยอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะ ถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรครับในชีวิตเนี่ ย, ยจะขอฝากไว้ถ้าว่าอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่ถ้าเรารู้เรื่องปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะจัดการกับชีวิตเราอย่างไงครับเราจะต้องเป็นประโยชน์กับในปัจจุบันด้วย <c oughs> ฟังแล้วอยากจะบรรลุนะเธอข้อความใน โมฆราชมานาวกะปัญหานิเทศที่พระสารีบดเอามานิเทศมาขยายให้ฟังนั้นไม่ยังไม่จบนี้เพียงว่าหยิบยกเอามาประมาณสัก 10% นในร้อเท่านั้นเองเนื้อหาในส่วนอื่นๆนี่ยังยังค่อนข้างมาก น, นะถ้ามีบุญก็อาทิตย์ต่อไปคงได้เอามากล่าวกันต่อไปอีกผมฝากไว้นะอันนี้นะถ้าเรารู้ปัจจัยแล้วเราจะจัดการกับชีวิตเราอย่างไรโดยเอาปัจจัยมาใช้รับรองว่าคำนาสนุกแน่ตรงมาเยอะๆหน่อยนะ